ทา <c oughs> งทากันเน อ, เอพ่อเป็นคนพูดตอทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วเอาไปทาดูไปฟังแล่าจำนะไปให้ไม่ใช่พูดเพื่อให้ไปจำเอาเอาไปทาเอาเอาไปสัมผัสเอา เพราะว่าสิ่งที่พูดพูดเรื่องธรรมะไม่ใช่เล่าเ น, นิทานเล่าเนยายเรื่องของธรรมะก็คือเรื่องของชีวิตเราช <c oughs> ีวิตเราก็มีสองส่วนคือกายกับใจกายกับใจนี่มันมีปัญหาแต่เราไม่รู้จากมันถ้าเรารู้จากมันก็เป็นปัญญา เป็นมากเป็นผลเป็นเพพานมันได้สวรรค์นนิพปานเพราะกายกับใจมันเป็นจัตนาโลกเดชานัชโลกายเป็นเปรเพ่อกายกับใจมันมีมุนมีบาปพ่อกายกับใจเราจึงต้องศึกษาหานะคำตอบหานะคำตอเฉลยให้ได้จะจนมันมีช่องทางบอกผิดบอกถูกอยู่ การผิดการถูกไม่ใช่คนอื่นบอกกายมันบอกใจมันบอกถ้าเราไม่สนใจก็ไม่รู้เฉยเฉยกับปาการที่มันบอกเหมือนเป่าปีใ๋ใจหูควายไม่ได้ยินได้เห็น <c oughs> หรือเข้าหูซ้ายออกหูขวา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 มันจะหลงก็หลงตรงนี้มันจะลู่ก็ลู่ตรงนี้ก็เหมือนกับไข่กุญแจเชื่อโซ่ด้ยก็เชื่อตรงนี้ไม่จริงจะไปไกลถ้าไม่เชื่อตรงนี้ก็เวียนว่ายใจเกิอดอยู่กับหลักอยู่อย่างนี้เราจึงมาดูมามีสติมาสร้างสติให้ลูกไอ เป็นกรรมฐานกรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งเอาไว้อย่าให้ไปอยู่ที่อื่นสติมันมีแต่เราใช่ไม่ถูกที่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่เป็นสติประฐานสติธรรมดาอะไรก็มีสติเหมือนกัน mm hmm. แจ้งควงนกหนูสัตว์เดือดฉานเขก็มีสติเหมือนกัน น, นั้นเป็นสติธรรมชาติธรรมชาติยานของสัตว์ สติปัญฐานคือออกไปดูมาดูกายดูทำไมตัวหลักไปอยู่ตรงนี้เห็นกายกายเป็นสภาให้เราหลงอะไรบ้างถ้าหลงกายก็เป็นตัวเป็นตนในกายหลายภพหลายชาติเหลือเกินเป็นพบเป็นชาติ อยู่กับกายเอากายเป็นภพเป็นชาติเอากายเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเปทุกข์เป็นความโลภความโกรกความหลงเป็นไปไกลและเกิดเกิเกิดชะลามุญะโสกะไปเทวดาทุกข์เป็นภพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับเกิดข้างเดียวมาได้มหาปุถุรูปได้รูปได้กายเกิดมาข้างเดียวแต่มันเกิดช่อนอยู่ตรงนี้อีก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 เกิดอยู่ที่มหาภูติลูกก็เป็นภกเป็นชาติได้ชาติภพที่เกิดจากาเป็นเวทนาสัญญาสังขารมิยานเขาก็มีสี่ขันนี้เป็นเปรตเป็นสุรกายสนนโลกเดชฉานก็มีสี่ขันเป็นเทวดาก็มีสี่ขันเป็นพระยินท์พระพมก็มีสี่ขันส่วนมรรคผลนิพพานไม่เกิดอยู่ตรงนี้ดับไปแล้ว ป, ปิดประตูนรกปิดประตูอวายวภูมิหน่อยแล้วคือไม่จาเป็นต้องเกิดมันก็ไปสุดทางถ้าไม่ศึกษาตรงนี้ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้เหมือนอาวัวควายปลูกติดกับหลักก็ อ, อยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ก็เลยพูดว่า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 ก้นไปยี่ไปข่มขืนเราไปพอใจอเอาไปขัดไปแย่งกันเกิดสมมติบัญญัติจิตบัานเถือมัน่นทั้งทั้งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยเวทนาจะกวเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะสูตรก็จดแดงเอาไว้แล้วเราไม่เงี่ยหูฟังเราไม่ได้ดูไม่ได้เห็นมี่จะเข้าไปเป็นกับมนัน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 แล่าหังสือตำวัตเนี่แปลว่านิจเจอเจอจุ ด, ดแต่ต้นตำราจริงๆไม่ใช่แปลอย่างนี้ในหลักฟาสิตในตำราที่ร้อยคองมาอันนี้ผู้แปลตำหนังสือตำวัตก็ก็แปลมาใหม่ก็เลยมีคนทํานินอยู่เราก็ไม่รู้ตำราแต่ว่าอ่ามาอย่างไงก็อย่างนั้นแต่ไม่ได้แก้ได้ไขอาได้ทั้งนั้นแหละ แต่่เรามนุฟังขมาธรามาต้านมันมโนเสถามารวิยาเนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหน้าสัาเปล็ดแล้วได้ที่ใจเคยได้เล่าลเดียนมาในนักทงตีโทเอกก็จบทั้งทมเหมือนกันหต่นตาแล้วก็เนี่ยมันมาถึงใจใจเป็นคู่กับอารมณ์นะ ใจมันเกิดเจงถึงก่อนมาก่อนรอบโลกก่อนลองรับทุกอย่างเป็นทุกอย่างสาธารณะสัมสนโสเภณีจิตโสเภณีโสเภณีจิตอะไรก็เอาหมดความกดก็เอาความโลภ ก, ก็เอาความหลง ก, ก็เอาความละ ก, ก็เอาความจังก็ อ, อยู่ในจิตดวงเดียวแต่ว่ามันแสดงออกในฉากต่างๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเดียว แต่ว่าเรามองเงาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในน้ําเ<ม>วลาหน้ามีคลื่นดวงอาทิตย์ก็เป็นหลายดวงไปแต่จริงมีดวงเดียวที่มันเป็นหลายอันเพราะมีคลื่นคลื่นของออจิตคืออารมณ์แสดงออกต่างๆหมอรอด้องไห้แล้วก็เกิดอย่างนี้ความรักกลายเป็นความชังอ่านแล้วที่พยม แล้วมีปัญญาแล้ว ก, กันแต่งานกันจะไม่ลูกสองคนพอเกิดชังกันก็ด่ากันตีกันเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนแล้ปัญญาก็ทนไม่ได้หอบลูกหนีแล้วมีก็าตามแปวขึ้นมาปัญญาก็ไม่ยอมขึ้นก็เลยเอามีดแทงปัญญาตายแทงปัญญาตายแล้วมาแทงแตัวงตายทิ้งลูกกำพร้าสองคนวัแยแปดอายุแปดขวบ ความรักกลายเป็นความศัตรูโอ้คู่อริตายกันได้เ mm hmm. พราะน่านี้ไมเป็นสังขารเราก็ยอมใช่สังขารรับใช่สังขารเป็นชีค่าสังขารวลามันโกรก็ทำชั่วได้แลามันไม่โกรธก็ปกติแต่ชีวิตจิตใจนี้มันก็ไม่มีความโกรธตลอดเวลา mm hmm. มันเป็นอาจอดมาเป็นข้างเป็นข่าวดังที่พูดวันนั้น จิตของเราเหมือนสาราหลังนี้อารมณ์เมืออาคารตุกขะที่จอนมาอาคารทุกะอาการตุกขะที่จอนมาถ้ามาดีอย่างพวกเราพระเนรญาโยมเป็นคนดีมาอยู่ที่นี่ก็ใช่ที่นี่เป็นประโยชน์สาดดีพระก็เจตเอสาราก็เจตเอ ส, าเเ อ, สอาดดีถ้านอกจากเราไอยมาอยู่อะไรมาอยู่ ว่าก็ทำให้ผิดเพี้ยนไปเสลาหลังนี้จิตใจเราก็เหมือนกันเรามันรับอะไรทุกอย่างเกินไปหัดรับความรู้จึกตัวหลองเข้าไปดูเป็นเจ้าของแต่ก่อนนี่กายใจไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของสาธารณะบางทีความหลงเปเจ้าของนานเหลือเกินความกดเป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนความทุกข์เป็นเจ้าของข้ามวันข้าคืน ความรักความชังเป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ใช่ในทางที่ผิดพลาดช้ำมวมไปจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะอารมร่ายกูือเสือทำลายคนมามากแล้วเราจะมาดูเห็นจิตในจิตจิตก็เป็นจิตล้วนๆรับรู้แต่ว่าในจิตนั้นมีอารมณ์มาย้อม เราเน้นว่าเราปวอมโกหกเน้นว่าเราโกหกไม่ใช่มันในจิตที่มันมาเพื่อนเฉยๆเหมือนผ้าเรามาสาดแต่เดิมแต่สิ่งโสโปรกบัรจรมามาเปิดมาเพื่อนเข้าเพราะเราใช่ไม่ถูกเราโรกเลินเกินไปก็เปิดเพื่อนเหมือนเราไม่มีมีดใช่มีไม่ถูกประเภทก็ผิดประเภทก็เสียหายการใช้ใจเนี่ย เราก็ต้องใช่เป็นเรียกว่าปรหัตมาดูแลกายใจของเราให้มันคุ้มอย่าปล่อยปละละเลยปฏิบัติธรรมคือมาดูแลนี่แหละถ้ามันอยู่ในล่องในรอยดูเหมือนเราดูแลคนป่วยดูแลลูกอ่อนดูแลสิ่งของดูแลต้นว่าที่ปลูกไว้ ช่วมันเวลามันเหี่ยวมันไม่ขาดน้ํามันขาดน้าก็น้ําไปรดมันมันก็เจริญเติบโตได้ออกดอกออกผลในกายใจเราเนี่เราดูดูแลดีๆมันก็เป็นดอกเป็นผลเรมมักผลในพานศาสนานี่นต้องมีมักผลในพานเป็นที่สุดถ้าพุทธศาสนาไ ม, ม่มักผลนิพานไม่ต้องมาศึกษาไม่ต้องมามีศรัทธาสร้วัดสั้งวัดสวเสียทรัพย์เจงันทอง เพราะมีมรรคผลนิพพานเราจึงมาสร้างมรรคศัทธาสร้างแล้วก็เป็นแหล่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาใช้เป็นการศึกษามาใช้เป็นแสงแหล่งเรียนรู้ช่วยการรักษาไว้เพื่อได้ใช้เปนานๆไปใช้สร้างแล้วเพื่อทำพิธีดีตองไปเฉยๆไม่เป็นมากเป็นผลมาใช้เพื่อเป็นการปฏิบัติ ใช่เจนะเจนะเพื่อบำเพ็ญภาวนาไม่ใช่เพื่อโอวดกันแต่ใช่เพื่อบำเพ็ญภาวนานี่ก็ให้มันหลุดออกไปจากกายจากเวลาจากกิจจากธรรมพราะชีวิตของเรานะ่ะมันก็ฟรีเกิดเจ็บเจ็บตายฟรีๆแทนที่จะมีประโยชน์ชีวิตเราก็เกี่ยวข้องกับการเกิดเจ็บเจ็บตาย ้ารเกิดเจ็บตายไม่ใช่มอบห้คุณหมออันนั้นเป็นอันที่สองอันที่หนึ่งต้องมองห้เราเป็นเจ้าของดูแลมันเกิดจะไงทำไงจึงจะไม่เกิด <c oughs> <c oughs> เราทำเกี่ยวข้องกับการเกิดที่มันเกิดเป็นนา ม, มาลูกด้นนะ่เราทำหน้างานมันเกิดมากเลยเกินเกิดดับเกิดดับจนนับไม่ท้วน สติเนี่ยเป็นตัวกุกกำเนิของการเกิดนามาลูกนี่แต่ใช่มันเมื่อมันเกิดท่านามาลูกมันก็มีเจรแล้วก็มีเจ็บทั้งก็มีตายเป็นพบเป็นชาติไปเช่นความรักโก็เจรเป็น ว, ว่าตายเป็นความกลักกวก็เจรเป็นตายเป็นความทุกข์ก็เจรเป็นตายเป็นเราเวียนไหวตรงนี้ให้ตรงนี้รับใช่ลงโทษลงเรารับใช่แล้วก็เลยลงโทษเรา ก็เราจึงดูเหมือนพระเจ้าสอนพวกเราเมื่อพระเจ้าพระองค์ได้ตัดชลูกครั้งแรกพระองค์ได้ออกจากพระโอษไม่มีใครมางานลาดนาให้แสดงธรรมเพราะผมก็ยังไม่มาแสดงธรรมมาลาดตระหนักแสดงธรรม พระองค์ก็เอาเถาเอาพระโอษฐ์ออกมาออกอุทานเอามาว่าแต่ก่อนนี้เราไม่มียานอย่างรู้จิตของเราเดินเล่นท่องเที่ยวไปสงสารเปในกษาติย์น้ำไม่ท้วนการเกิดตามพบตัางชาติต่างๆเป็นทุกๆคขาวเกิดทีใดเป็นทุกข์ล่องไปวันนี้เรารู้จกากเก้วเสียแล้ว เจ้าจะทำอะไรให้เรามาได้อีกต่อไปองเรือนทั้งหมดของเจ้ารากเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรโปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปคือมันถึงมรรคผลในผานไม่มีอะไรโปรงแต่งได้แต่ก่อนเนี่ยมันรับใช้การโปรงแต่งพโอษ์ออกมาจากพรโอษ์เรียกว่าปฐมมาภาจิตคัข้างแรก แล้วก็นำมาสวดกัน๋ยวเราไม่ถึงไม่ว่าถึงคือพระนิพพานมีแต่ว่ามันชินไปแห่งตัณหาจบเช่นนี้ที่สุดมันคือพระนิพพานลงตรงนู้นนะแต่ผู้พิมพ์หนังสือธรรวจนก็ตัดออกวัวนิพพานหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ตัดออกซะที่จริงมันถึงนิพพานนะสุดท้ายพระปิตก็เนี่ยพุทธปราชิตปฐมมาปราชิต เราจึงมาดูการเกิดเจ็บตาการเกิดแบบหนึ่งก็ครหมอดูเลพยาบาลดูเลทำคลอดปลอดภัยอันการเกิดจากกิจใจของเราเนี่ยเทมันเกิดเป็นพพเป็นชาติเนี่ยเราต้องดูแลคนหมอคือเราไม่ได้อย่างเกิดก็เกิดในภพภูมิที่ดีจากน้อยปิดอภัยพระพมได้เป็นเทวดาเป็นพระพรมเป็นพระ อ, อินเป็นพระ เวลาเราปฏิบัติขลงโกเทียนสมัยสา4สิบเจสิบปีพอเรามารู้เรื่องนี้เขารู้รูปทำนามธรรมรู้บุญโู้บาปรูป้ศาสนารู้พุทธศาสานารู้ปรมัติร์รู้วัตถุว ก, การาต่างๆอยู่ในการในใจเป็นาลงไปเหมือนกับว่าได้กระแสใดทิศทาง เห็นทางไปไม่ใช่เห็นด้วยตาพอเห็นรูปเห็นนามเห็นเวลาเห็นจิตเห็นธรรมมันก็เห็นเป็นรูปเป็นนามปฏิจจารการมันเป็นธรรมชาติมันบอกเรารูปมันบอกนามมันบอกมันก็เอารูปว่านามในทาความดีแล้วความชั่วได้เด็ดขาดหลวงพ่เทียนถามว่าเป็นเทวดาได้ไหม เป็นได้ครับปิดอบายยมพมได้ไหมปิดได้ครับเป็นพระได้ไหมเป็นได้้านนั่นนะมันเป็นทางวัดปฏิบัติทางชีวิตจิตใจของเรามันต่างเก่ามารล่วงพ้นภาวะเดิมนี่ก็ปิดอบายูมพได้ผู้มีสติสมบูรณ์เนี่ยปิดอบายยมพมได้ แต่ก่อนเรากลัวนรกเพราะเราไม่รู้วันนี้เราเห็นแท้ๆเห็นกับตาจะให้มันอยู่กับเราทําไรเมื่อเราเห็นงูพิษเราจะไปให้งูมันกัดเราจะไงเพราะเราเห็นเห็นกับตาแทๆ้ๆเห็นกับากางกระทํามันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราก็ป้องกันได้เป็นพระไดไ้เป็นได้พระคือมันใจมันดีกว่าเก่า มันลูกของเกา่ามันไม่งูแต่ ก, ก่อนมันงูไม่รู้อะไรกวดก็เอาแล้วก็เอาชังก็เอาทุกข์ก็เอาสุขก็เอาสารพัดอย่างวันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นนันเรื่องเฉพาะน้อยๆพับเหมือนกับคนพับผ้าใส่กระเป๋าถือกระเป๋าแว่งใหญ่อยู่พัใบใส่กระเป๋ากางเกงไปไหนอยู่กับเรา เห็นบุญเห็นบาปรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาก า, ารเกิดเจ็บเจ็บตายแทนที่จะเป็นทุกข์มันก็เป็นปัญญาได้ตอนนี้ก็มีญ <c oughs> าติทางมาจากงานสลครามสามีกิดวัตทเหตุตายสามีคนนี้ทุก ทุกข์มาเออทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความดีของสามีและดีก็ทุกข์เพราะความชั่วของสามีก็มีความดีความชั่วมันมีทุกทั้งนั้นถ้าเราไปรู้จักอย่างสัตย์ประหสอนไว้ว่าไม่มีลูกก็ไปทุกข์ทรมารย์ไม่มีสามีไม่มีปัญญาก็ไปทุกข์ระห่ มีลูกมีสามีพัญญาแต่พัญญีสามะปัญญาสามีตายไปลูกตายไปก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อมีลูกลูกเป็นคนชั่วสามีเป็นคนชั่วปัญญาเป็นคนชั่วอันนี้เป็นทุกข์กว่าเพราะฉะนั้นความทุกข์น่ะมันก็มีระดับมไม่ใช่ทุกเพราะการพัดภาคจากการพัดภาคแกวของรักของจใจก็เป็นทุกข์ ปรารถนาจิงได้ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นก็ป็นทุกความไม่สบายกายความไม่สบายใจความว่าเพี้ยนใจก็เป็นทุกข์แบนี้เราถูกความทุกข์อย่างาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วต้องจะน้อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์นี้จะปรากฏชัดเจนเราอุทิศหลานตังสมมาเจ้าพุทธอง์อุทิศทำตามพระพุทธเจ้ามันมีทางไปอยู่ไม่จนไม่ต้องจนพวกเรานะ พุทธศาสาในมวกเป็นทางอันเด็กเลยท่าทาเอกอมโควิชุธิยาเป็นสถาบันของชีวิตเราสกโตเขียนไว้หน้าว่าเลยสถาบันสติปัฏฐานที่สถาบันคืออะไรไม่ใช่อาคารขนาดหนึ่งขานงขาดสองสถาบันคือชีวิตของเรามันสมบูรณ์แล้วเป็นสถาบันที่ละความชั่วได้ทําความดีได้ อุทิตมาทำตามเราดูมาศึกษาเราดูให้มันพบให้มันเห็นเขาการเกิดการแจกการเจ็บการตายมันเป็นเรื่องอทำให้เกิดมรรคผลเพราะว่าไนดะ้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเศร้าโศกก็พูดให้เขาฟังก็เลยชวนมาปฏิบัติก็มีใบหน้ายิ้มแยมแจ่มใสขึ้น เพราะนั้นความทุกข์เนี่ยมันมีอารมณ์กันหรือว่าอารมณ์มันก็นอนเนืองในจิตใจเราเรื่องเก่าไม่คิดแล้วคิดอีกย่ำคิดเรื่องเดิมเริ่มคิดเรื่องเดิมก็ เ, เ, เ, มปเป็นกรรมอยู่นั้นหัดปล่อยหัดวางไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็หวั่นกันในโลกนี้มันต้องพ้นภาคจากของรักของชอบใจญ่ทางนั้นเพราะสามีเป็นคนดีจึงคิดถึง อาไม่ต้องคิดถึงสามีคนดีเขาก็ไปสู่ภพดีไม่ต้องห่วงเขาเมื่อหงลวงตาเคยไปสนอนพา่อจันในราชพฤษบังเลยพ่อเสียชีวิตเขาก็เสียใจทำใจไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าพ่อผมเป็นคนดีพ่อผมเป็นคนดีผ ม, นนดผมขาดอะอะไรสักอย่างอยากทำใจไม่ได้ก็อบอกว่าพ่อเราเป็นคนดี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 พ่อเราตายไปเราละคนหนึ่งจะต้องเป็นคนดีเหมือนพ่อเรามั่นคงกวเก่าจานี้จึงจะถูกต้องนาะเขาก็เปลี่ยนใจแห้ะสามีเป็นคนดีเป็นทุกไม่ใช่ฮาเขาไปดีแล้วอาจจะดีกว่าหนูด้วยนะหนูยังร้องไห้อยังเลี่ยงลูกอยู่แต่ว่าดีหน่อยคือเป็นแ่บานไม่ลำบากไปกาอะไร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 ชัดเจนเอาเรื่องนี้แหละเป็นปัญญาอย่างที่พาคนหมอประสาทไปสวดอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงกุ่มนาฬิีทองก่อนใจขาดเอาพ่อสวดไปสรวดเพื่นหมอก็ว่าไปช่วยคนไข้ไดตายได้ผลดีไปสวดพระสูดรต่างๆจะเป็นสังคาระนิจาติยาถ้ า, า, าปัญญาจะปัจจติอย่างที่สวดได้ฟัง เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมในนัยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพานเอาความไม่เที่ยงไว้พระานาเอาความเป็นทุกข์เป็นพระิพานาไปงมไปประดับมันทําไมเอามาเป็นมรรคผลิพานาเหมือนตอนไม่ได้ปุ๋ยความเปิดแจเจ็บไตมันเป็นปุ๋ยให้เกิดมื่อเกิดผลได้ไม่ใช่มาลงโทษเรา เห็นทุกข์จึงไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าตัดจะรู้อริยสัตสี่เดเห็นทุกข์เก็บของประเสริฐวันเราเห็นงูพิษโอ้ทุกถ้าเราไม่เห็นมันมันจะทําลายเราคนที่เห็นทุกข์เนี่ยมันประเสริฐที่สุดก็จะเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรต่างๆเห็นความเกิดเจริตายมันมีมันมีอยู่ทุกคนน่ะจะไปกลัวมันทำไมเอามาเป็นมรรคเป็นผล นี่คือปฏิบัติธรรมคือศึกษาธรรมถ้าหลุงย่อยให้มันเหลือศูนย์เกิดเจริญตายไม่มีดอกไม่มีเขาเป็นของรูปเป็นธรรมชาติรูปนี่ไม่มีใครป้องกันได้วัา เ, เราสวดพระจีนเนี่ยไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ไปใครเป็นป้องกันได้ความชราแฉ่เท่านําเข้ามายั่งยืนยอมรถเที่งในเสียงนั้งพวงนี่คือรูปรู้จากบรรซาไม่ใช่ไป ถ้านอมจนค่อยเจ็บข่อปปวดอกหักเสียใจเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เลยเราใช้มันสิเราใช่มันสาเร็จประโยชน์เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาพวกเราโฉกโตจะพากันศึกษากันเรื่องนี้กันแล้วศึกษาเรื่องอื่นไปด้วยเอาจิตระหน้าที่ของเพื่อนภิกษุญาตโยมก่นช่วยกันไปบอกกันสอนกัน ยาพายู่เฉยๆเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้รู้ตัวเองนี่แหละเราไม่ใช่จบเป็นยามาจ่ายถ้าเป็นยาคือยาตะปริ ญ, ญากาหนดรู้ตัวเองอย่างรอบคอบเทียว่ายาตะปริยาตีลักณะปริ ญ, ญาแกะแง่งออกไม่ให้เป็นดุนเหมือนก้อนเห็นรูปปวงเป็นรลกเป็ตาไม่ใช่จับบุคคลตัวตนเราแกะกออกไป แัจ้จเกก็จะว่าจิตไม่ใช่จัดบุคคลตัว น, นเราของไม่เหลืออะไรเหลือศูนย์เรียกว่าติลขณะปริญญาแกกออกไม่เป็นรุน่นเหมือนก้อนไม่ให้มันถูกเราต้องเกิดเจ็บปวดไปหาหน้าปริญญาทําให้หมดไปย่าให้มันอยู่ข้างหน้าเราหมดไปมันหมดไปออกมันหลงโผลก เกิดขึ้นความหลงก็หมดไปหมดไปแล้วบันทุกเกิดขึ้นความลูก้เกิดขึ้นความทุกข์ก็หมดไปแล้วเรียกว่าปะหาดปริยญาคือทำลายสิ่งที่มันเป็นบาปผู้ชดให้มันหมดไปไม่ใช่ไปทำพิธีอื่นอ่อนวอนบวงสรวงเสียเขาสะดอโชคบอกเกงิงๆอย่างนี้บางคนก็ยังมาขอนำมอนจากหลวงตาเอควายผูกแขน บอกกันปฏิบัติเขาไม่เอาเขาจ้เาของปลอ ม, มไม่อยากได้ของจร่งแจกเหรียญแจกตุคามลามเทพเขชอบใหญ่ให้แจกธรรมะจะไห น, นไม่ชอบเพราะก่อนลงมันมันหลงอยู่วะจึงบอกกันะะนะนี่คือปฏิบัติธรรมนี้ปฏิบัติธรรมนี้ทาละความชั่วด้วยกายด้วยใจของเราทำความดีด้วยกายด้วยใจของเรา เราไม่เชื่อใคถ้าเราไม่เชื่อตัวเองเราจะให้ใครมาทำช่วยกายเราเขาจะให้ใครมาช่วยใจเราเราต้องช่วยวเองพระพุทธเจ้าสอนคนที่ช่วยตัวเองถ้าใครไม่ช่วยตัเองพระเจ้าไม่สอนบอ่อเท่งเทวทัตอะไรนางกิจจะมายีกาอะไรแผนเดินสูบไปงหมดเลยคือเขาไม่ช่วยตัวเราต้องช่วยตัวเองอ่าวันนี้หลวงตาก็อยางก็พูดนะ ตั้งตั้งที่ลิ้นแข็งไม่รู้ว่ารู้เรื่องมั้ยลิ้นแข็งอยากจะพูดอยู่เพื่อให้ฟังก็สมควรเจรจาภาพพร้อมกัน